โดยมีท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์เ <h> จ <eau> ้าวาดวัดสามพรยาเจ้าคณะใหญ่หอนกลางเป็นอุปชามีท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์สมัยดำรงสมณศักดิ์เป็นที่พระผมคุณาภรเจ้าอวาดวัดสเกตราชวรมหาวิหารเป็นพระกรรมวาจาจารย์และเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์สมัยดารงสมณศักดิ์เป็นที่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 จนได้ปริยนธรรม6กประโยคในปีพุทธศักราช2537นับว่าหาตัวอย่างได้ยากในกลุ่มพระวิปัสนาจารย์ที่มีความมุมานะศึกษาได้ถึงขั้นนี้ท่านได้ก่อตั้ง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 ความเจริญเติบโตของทางวัดส่วนใหญ่จึงเป็นผลงานด้านการอบรมธรรมะปฏิบัติที่เพิ่มมากขึ้นและการศึกษาภาคปริยัตยและปฏิบัติของพระพิสุสงสามเนรที่เพิ่มขึ้นหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยจึงได้จัดตั้งทุนพัตตาหารคิลานเภสัชและทุนการศึกษาของพระเพื่อสามารถจะนาดอกผลของกองทุนนี้มาเป็นค่าใช้จ่ายในด้านพัตาหาร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 สาธุชนก็ได้รับฟังชีวประวัติของประเดศประคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุตธิคุณหรือหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลจบลงไปแล้วโดยการนำเสนอของอยานรัตนะซึ่งเป็นศิษยานุศิษย์คนหนึ่งในประเดศประคุณหลวงพอ่อได้เขียนขีวประวัตินั้นขึ้นมาเพื่อที่จะให้สาธุชนได้รับทราบเนื่องในโอกาสที่ประเดศประคุณหลวงพอ่อท่านได้